แก่จิตใจด้วยการกระทาตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งไว้ตอนก่อนที่จะจากพวกเราไปคือทรงตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงรีบยังประโยชน์ของจิตใจของตนและจิตใจของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยการไม่ประมาเทเถิดการกระทาที่เรียกว่าไม่ประมาทเป็นอย่างไรก็คือการเตือน ใจเราอยู่เสมอเสมอว่าร่างกายของพวกเรานี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันดับไปหมดไปในวันใดวันหนึ่งและไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายนี้ จะตายไปเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทจึงต้องมันเตือนตัวเองอยเรื่อยๆว่าร่างกายของเรานี้หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเนี่ยความตายมันอยู่แค่ที่ปลายจมูกของพวกเรานี้เอง ไม่ได้อยู่ว่าจะอยู่ที่สถานที่นั้นสถานที่นี้สถานที่ตายของร่างกายก็คือที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกนี่ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าถ้าเราเราด้วยว่าถ้าเราไม่หายใจออกร่างกายนี้ก็ต้องตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าร่างกายนี้ก็ต้องตาย แล้วก็ไม่มีใครกําหนดได้ว่าจะหยุดหายใจเมื่อไหร่แม้แต่หมอพยาบาลผู้รักษาร่างกายก็ยังไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะหมดลงหายใจเมื่อไหร่บางทีหมอหรือพยาบาลนี้อาจจะตายไปก่อนคนไข้ก็ได้ดังนั้นวิธีการที่จะ ทำให้เราไม่ประมาทก็ต้องคิดว่าเราอาจจะตายได้ในเวลานี้ก็ได้ในวันนี้ก็ได้ไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่บตริษัทประกันชีวิตก็ประกันชีวิตเราไม่ได้ถ้าเราซื้อประกันแล้วเขารับประกันว่าจะอยู่ได้ถึงร้อยปีนี่ก็เราก็เย็นดีที่จะซื้อทันที แต่แม้แต่ประสัทประกันชีวิตก็ประกันไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่เพียงแต่ประกันได้ว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ที่เกิดจากการตายได้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถประกันชีวิตคือประกันว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปถึงกี่ปีกี่เดือนอันนี้ไม่มีใครประกันได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีใครประกันได้เราก็ต้องคิดในทางที่มันมันที่ทำให้เราไม่ประมาทกันก็อาจจะคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้วันนี้เป็นวันที่เรามีเวลาที่จะทำคุณทําประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราได้่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ เวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจยอย่างอื่นภารกิจการเลี้ยงดูร่างกายนี้อาทิตย์หนึ่งเขาก็ให้เราหยุดประมาณสองวันด้วยกันวันเสาร์วันอาทิตย์หรือบางแห่งอาจจะให้หยุดเพียงวันเดียวขอให้เราใช้วันหยุดนี้ให้เกิดคุณค่าแก่จิตใจของเรา ด้วยการมากระทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเบื้องต้นให้ทําประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราก่อนให้ยกจิตใจของเราให้หลุดออกจากกองทุกข์ให้ได้ก่อนกองทุกข์ต่างๆกองทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการพัดท่า จากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักความทุกข์ที่เกิดจากการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบอันนี้เป็นความทุกข์ที่พวกเรานี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีกันพวกเราทุกวันนี้มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนี้กังวลกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ ห่วงยายคนนั้นห่วงยายคนนี้มีแต่ความทุกข์รวมแล้วอยู่ตลอดเวลาแต่ความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสามารถกำจัดให้หมดจากพระทัยของพระองค์ได้แล้วรู้จักวิธีที่จะกำจัดก็นำมาวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากําลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ ให้มันหมดออกไปจากใจให้มันหลุดออกไปจากใจให้หมดได้เราสามารถอยู่กันได้อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและการที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องมีเวลาเราต้องหาเวลามาปฏิบัติ มาศึกษาคำถอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้านำอาไปปฏิบัติดัง้เราจึงต้องรู้จักบริหารเวลาของพวกเราเช่นวันนี้วันหยุดวันไม่ต้องไปทำงาน<ช>เราสามารถเลือกใช้เวลาไปในทางไหนก็ได้เราจะใช้ไปในทางของ ผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็ได้หรือเราเอาไปใช้ในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติก็ได้ถ้าเราเอาเวลาไปใช้ในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆเอาไปจากใจของพวกเราตามลำดับถ้าเราเอาเวลาของเราไปใช้กับผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเราก็จะไปเพิ่มความทุกข์ให้กับใจของเราให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องรู้ต้องฉลาดรู้จักเลือกว่าเราควรจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้จักเลือกก็ให้มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน แล้วลองทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าดูดูว่าจะทําให้ความทุกข์ในใจของเรานี้น้อยลงไปหรือไม่ทําให้ความสุขในใจของพวกเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นมาหรือไม่เปรียบเทียบกับการไปทําตามความอยากต่างๆที่เราเคยทํากันมาแล้วเราจะได้รู้ว่าทางไหนจะดีกว่ากัน <Yeah. S 1> ไม่มีทางไหน ที่จะดีเท่ากับทางของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้รับได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคนนี้จะพูดเหมือนกันว่าเป็นทางอันประเสริฐเป็นทางที่ดีที่สุดแก่จิตใจของพวกเราเช่นพระอริยสงสารกุกทุกๆพระองค์ทุกๆลูกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ทุกรูปนี้จะยืนยันกันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เป็นคำสอนที่จะทำให้ใจนั้นมีความสุขตลอดเวลาได้ดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องสงสัยเพราะเรามีคน มีพรีเซนเตอร์ของสินค้าคือคำธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสินค้าที่วิเศษรับประกันโดยพระอารหรันต์พระอาริยสงสาวุกทุกๆรูปตั้งแต่รูปแรกตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนผู้ฟังคนแรกก็สามารถมีดวงตาเห็นธรรม หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับของพระโสดาบันได้ทันทีเป็นผู้ยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองจากรถาบารของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายว่าถ้านำามาใช้แล้วจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นระยะระยะนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ไม่มียุคใดที่ไม่มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาเพราะว่า มีผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคาสอนว่าเป็นคาสอน <c oughs> <c oughs> ที่จะสามารถลบล้างความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จึงมีผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็มีผู้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ยุคปัจจุบันนี้เราก็มีพระอริยบุคคลกันมากมายเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นพวกที่หิวแสงพวกที่ต้องการที่จะมาประกาศให้คนอื่นเขารู้และให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญบูชาเพราะว่าพระอริยทุกรูปนี้ไม่หิวแสง ไม่มีความต้องการที่จะได้อะไรจากผู้อื่นไม่ต้องการลาบยศสำลักเสญไม่ต้องการความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้จึงไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องมาประกาศว่าข้าพเจ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วข้าพเจ้าได้เป็นพระอราหันต์แล้วข้าพเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยนืนว่ายตายเกิดแล้ว เพราะท่านไม่หิวไม่มีความหิวกับความยินดีหรือความจัรเสริญยกย่องเยินยอหรือการกราบว่าบูชาจากผู้อื่นเพราะสิ่งที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์อะไรกับจิตใจของท่านเหมือนกับการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วใจของท่านก็อิ่ม มีแต่ความสุขไม่มีความหิวโหยกับอะไรเลยพวกเราจึงมักจะไม่ค่อยรู้จักพระอริยบุคคลกันว่าเป็นใครกันบ้างเพราะพรอริยบุคคลนี้ท่านจะไม่ประกาศตนเองไม่ไม่บอกว่าท่านเป็นนั่นท่านเป็นนี่แต่เราก็อาจจะสามารถรับรู้ได้จากการประพฤติของท่าน การประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความสวยงามในการการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจทางกายทางวาจาก็เรียบร้อยไม่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทางใจก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณามุริกาลเบิกขา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะสามารถประเมินได้จากว่าเป็นอริยบุคคลหรือไม่แล้วก็จากการคำสั่งคำสอนของท่านอีกอย่างหนึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่โดยเฉพาะถ้าเราเป็นคู่ปฏิบัติแล้วเรา้อมเอาคำสั่งคำสอนของท่านไปปฏิบัติ แล้วเราได้บรรลุได้ได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เคยมีในใจของเราให้หมดไปเราก็จะมีความสามารถที่จะเชื่อได้ว่าคนที่สอนเราคนนี้นั้นต้องเป็นพระอาริยบุคคลอย่างแน่นอนต้องรู้จักการวิธีการดับทุกข์และดับทุกข์ได้ด้วยตันเองแล้วยึงเอาวิธีของการดับความทุกข์นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับเราพอเราเอาวิธีที่ท่านสอนไปปฏิบัติเราก็ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะวัดว่าคนไหนเป็นพระอริยะบุคคลหรือไม่ <Yeah. S 1> อีกวิธีสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> ส่วนคนที่ตายไปแล้ว สิ่งที่จะทำให้เราเห็นว่าท่านได้เป็นพระอริยะเป็นพระได้หลุดพ้นเป็นพาาาระอรหันต์แล้วก็คือกระดูกของท่านจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งว่าพระรูปนี้พระอาจารย์รูปนี้เวลาท่านตายไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุบางส่วนดังนั้นเราก็สามารถยึดเอาคำสั่งคำสอนของท่าน ที่ท่านสั่งสอนไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วมีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแถบบันทึกเสียงต่างๆสามารถศึกษาจากคำสั่งคำสอนเหล่านี้ได้ว่าเป็นคำสอนที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้ หรือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเอง <Yeah. S 1> ที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎก <Yeah. S 1> ก็สามารถใช้เป็นคำสอนที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของผู้ปฏิบัติได้แท <Yeah. S 1> น, นพวกเราจึงไม่ต้องมีความกังวลสงสัยนังเลยสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอาจารย์ของเรา ที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรไหมรับประกันได้ว่าดับความทุกข์ได้เพราะเป็นสินค้าที่มีมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้านำสินค้า น, นี้เอกมาเผยแผ่ให้กับกับโลกก็มีผู้ที่ซื้อสินค้าเหล่านี้ คือซื้อพระธรรมคำสอนคือรับพระธรรมคำสอนไม่ได้ซื้อพระธรรมคำสอนนี้ไม่มีขายมีแต่แจกเป็นธรรมทานบุคคลแรกที่ทาธรรมทานก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าไม่ได้สมวนลิกษิ์พระพุทธเจ้าไม่มีกำหนดราคาสินค้าพระธรรมคของพระองค์ว่าพระธรรมคำสอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ไม่สงวนลิขสิ์ ใครจะเอาไปเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อีกทอดหนึ่งก็สามารถทำได้นี่คือคือธรรมทานบุคคลที่ทำธรรมทานบุคคลแรกของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าต่อมาบุคคลที่ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ารับเอาคำสอนไปปฏิบัต พอบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วก็เอาพระธรรมคำสอนนี้มาแจากจาก่ายให้แก่ผู้ทอดหนึ่งโดยไม่คิดเงินทองเช่นเดียวกันบุคคลที่สองรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระ อ, อรหันตสาวกที่เป็นผู้ทธรรมาทานให้แก่โลกเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้กลายกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันนีเรามีผู้ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่หลังจากที่ท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่แหละคือเครื่องยืนยันว่า พระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของหลอกลวงเป็นของแท้ของจริงเป็นสินค้าที่สามารถนําเอามาใช้บําบัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้พวกเราจึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกวา่าถ้าถูกหลอกลวงหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระอริยบุคคลทั้งหลายว่าเราจะถูกหลอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่มีผลเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงของแท้มีอยู่มาได้ถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีใครมาสามารถอ้างหรือมา ว่ากล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของกลองคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ไม่มีใครกล้ามาพูดแม้แต่คนเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจริงถ้ามาพูดเพราะความจริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ให้ความรู้ที่จะนํำมาไปดับความทุกข์ได้ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องนั่งเลยสงสัยทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นน่ยคืออยากตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือตั้งอยากตั้งอยู่ในความประมาทไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รีบเอาเวลาอันมีค่านี้มาปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าไปทําอะไรต่างๆที่ไม่มี ประโยชน์มากกว่าการอยู่ของร่างกายสิ่งอื่นที่เราทํากันนี้มันมีประโยชน์แค่ช่วงที่ร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองแต่พอร่างกายตายไปแล้วสิ่งต่างๆนี้ก็ไม่มีคนประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์กับจิตใจตายไปจิตใจไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปได้ ไม่ว่าจะมีเงินกองเท่าภูเขาก็เอาไปไม่ได้จะมีตำแหน่งสูงใหญ่โตขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้มีรางวีรางวันต่างๆชนะเลิศรางวันต่างๆชนะการประกวดอะไรต่างๆก็เอาไปไม่ได้รูปเสียงกิ่นลดต่างๆก็เอาไปไม่ได้กิ่นที่จะเอาไปได้ก็คือความทุกข์หรือความสุขหรือการหมดทุกข์เท่านั้นที่ จิตใจจะสามารถเอาไปได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเร็งประโยชน์ของใจเป็นหลักอย่าไปเร็งประโยชน์ของร่างกายอย่าไปเร็งประโยชน์ของลาบยศสารเสริญสุขกันเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วก็ไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรามีความสุขทางใจดังนั้นขอให้เรามา สร้างประโยชน์ให้กับจิตใจกันดีกว่าดีกว่าที่จะเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าใครนั่งข้างนอกถ้าเจอฝนอยากจะหลบเข้าข้างในก็สามารถทำได้นะแล้วแต่หรือจะสู้กับฝนก็สู้ไปฝนอาจจะตกไม่หนักมากก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหารนิจังไม่มีอะไรแน่นอน เข้ามาเบียดเบียดกันหน่อยไม่เป็นไรใส่หน้ากากก็แล้วกันแล้วใส่แมดไว้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตอนนี้แมด ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ติดเชื้อตอนเช้าเราบินตบานนี่อยู่ใกล้กับโยประมาณแค่สอกเดียวเท่านี้ถ้าติดมันติดน า, านๆนะอย่าถอดแมดออกก็แล้วกันนะให้ใส่แมดไว้เวลาอยู่ใกล้ๆกันอย่าพูดคุยกัน ทนที่นั่งอยู่ก็นั่งทำสมาธุต่อไปหลับตาไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นเราสามารถใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ได้ถึงแม้ฝนจะตกแล้วเสียงธรรมอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็เรามานั่งสมาธิกันไปเรื่อยๆกันก่อดูลมหายใจเข้าออหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้เนิ่งทำใจให้สงบ ก็จะได้รับประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังเสียงธรรมเพราะว่าตอนนี้เสียงขนตกอกาจจะยังบอกเสียงธรรมไปก็ไม่ต้องกังวลเอาเวลานานั่งหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าออ ก, ก็รู้ว่าหายใจเข้าออหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ทำอย่างนี้ไปอยากคิดอะไรในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพระเจ้าในระดับของสมาธิการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกนันนี้มีอยู่3มระดับด้วยกันระดับแรกก็คือให้เราละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวงระดับที่สอง ให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้สึงครองระดับที่สามให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจคําสอนนี้เป็นคําสอนเหมือนขั้นบันไดเราต้องทําเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งก็คืออย่าไปทำบาปบาปก็มีหลายระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คือการเสพอบายามุขต่างๆเป็นการกระทาที่จะนำไปสู่การกระทาบาปที่หนักขึ้นต่อไปอบายามุข่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการทำบาปแต่เป็นการกระทาที่จะพาให้เข้าเข้าไปสู่การกระทาบาปต่อไปเพราะอะไรเพราะการเสพอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย มีแต่เสียเงินเสียทองไม่มีรายรับเข้ามาอาเซบ่อยๆเงินทองก็อาจจะหมดได้เมื่อหมดแล้วก็จะต้องไปหาเงินโดยวิธีชอบโกงหลอกลวงไปรักขโมยอะไรต่างๆเป็นต้นไปทำบาปต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามเรื่องตอนนี้อย่าทําอย่าเสบอบา ย, ยามุกแต่ อบายามุขนี้มีอยู่หข้อด้วยกัน1การดื่มสุรายาเมาสองการเที่ยวเต่ทั้งทั้งวันทั้งกลางคืน3การเล่นการพนัน4ความเกลียดข้าง5้คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสถ้าเราชอบคนดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเราครบกับคนที่เล่นกชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเราครบกับคนที่ชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตระถ้าเราครบกับคนที่ชอบความเกลียดชังเขาก็จะชวนให้เราเกลียดชังไม่ให้ไปทํางานไม่ให้ไปทำอะไรที่มีรายได้และห้าก็คือเน่ยไม่ให้คบคนที่ เสพอบายมุกชอบเสพอบายมุกถ้าเราหลีกเลี่ยงจากการเสพอบายมุกทั้งห้าม น, นี้ได้เงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่สูญหายไปเราก็จะมีรายมีเงินสําหรับไว้ใช้ใจ่ายกับสิ่งที่จําเป็นต่อการดํำรงชีพเช่นปัจจัยสี่เราก็จะมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค แล้วเราก็จะไม่เกี่ยดชังเราก็จะมีทำงานทำการกันทำงานทำการเพื่อมีรายได้รายได้ที่ได้มาก็จะไม่สูญไปหมดไปกับการเกิดอบายงุกเราก็สามารถเก็บเงินเก็บทองไว้สำหรับดูแลร่างกายและนำม า, มาใช้สอการทำประโยชน์ต่อไปได้ดังั้นข้อแรกสิ่งแรกระดับแรกของ การไม่กระทำบาป ก, ก็คืออย่าเสพอบายามุขอย่าดื่มชโลายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตะอย่าเกลียดข้านอย่าพบคนชอบอบายามุขเป็นนิสแล้วจะทําให้เราปลอดจากอบายามุขเมื่อเราปลอดจากอบายามุขโอกาสที่เราจะไปทําบาป ก, ก็จะยากขึ้นถ้าเราดื่มสุราแล้วมึนเมา แล้วเราก็อาจจะไปทะเลาะวิวาสกับผู้อื่นได้ง่ายอาจจะไปทำบาปได้ง่ายเช่นเวลาไปขับรถก็อาจจะประสบอุบัติเหตุทำให้ผู้อนเสียหายเดือดร้อนถึงแก่เสียชีวิตก็ได้แต่ถ้าเราไม่เสบาบายามุขเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาไม่ไปสร้างไม่มีการไปกระทาบาปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ทาบาปเลย แต่การทําบาปจะยากขึ้นและจะทําบาปเฉพาะเวลาที่ลูกแก่โทสะลูกแก่โมหะเท่านั้นคือเวลาที่ไม่มีมีความโกรธมากๆมีความโลภมากมากีก็ยังอาจจะยับยังการกระทําไปทําบาปไม่ได้แต่จะไ ม, ไ, มไม่ไม่ทำแบบเวลาไปเสพอบา ย, ยมุกกันนี่คือข้อที่หนึ่งอย่าเสพอบา ย, ยมุก แล้วข้อที่สองก็มารักษาศีลหศาสิสกันสิหนสหกันคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพติผิดตเวณีละเว้นจากการพูดปลดดื่มสุรายาเมาไอละเว้นจากการพูดปดส่วนสุรายาเมาก็คืออบายามุขเองถ้าเราตั้งจะตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ทำบา เวลาเราเกิดลูกแก่โทสะโมหะเราก็จะยับยั้งได้พอคิดอยากจะไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็บอกเอ้ยเราทาไม่ได้นะเราถือศีลอยู่ถ้าคิดว่าจะไปไประพฤติผิดประเพณีไปผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเราก็จะห้ามใจว่าเราทําไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทําเพราะการกระทาบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ การไม่กระทำบาปนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพิธีการดับทุกข์ในขั้นขั้นที่หนึ่งนะคืออย่าทำบาปแล้วการกระทำบาปก็มีหลายระดับด้ืยกันระดับที่ละเอียดขึ้นไปแต่เราไม่เรียกว่าบาปก็คือการเสกกามการเสกกามต่าง เราก็เลยต้องละเว้นการเสกการมเพราะการเสกกรรมนี้ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเพราะว่าเวลาเสพแล้วมันจะติดและเวลาอยากจะเสกถ้าไม่ได้เสกมันจะทุกข์นั่นเองคนที่ติดยาเสพติดนี่เวลามียาเสพติดก็เสกแล้วก็มีความสุขแต่พอเวลายาเสพติดหมดแล้วหายาเสพมาเสกไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ อันนี้วิธีสร้างความทุกข์ด้วยละเว้นการเสพกลามด้วยการถือสีแปเพิ่มสีอีกสามข้อจากสีห้าก็เพิ่มเป็น8ข้อสีข้อที่สามก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเพณีคือจากไม่มีการเสพกลามเลยคือไม่มีการร่วมหลับนอนกับใคร แต่กับคู่ครองของตนก็ไม่หลับนอนด้วยเพราะถ้าหลับนอนแล้วมันจะติกเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวมันจะเหงามันจะทุกข์นั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์เวลาที่อยู่คนเดียวก็หันเลิกเศษการกันถ้าเป็นคู่ครองกันวันพระวันหยุดทำงานก็ลองแยกห้องกันนอนทั้งคื น, น, นแต่วันนี้เราลองมาถือศีลแปดกันและเว้นจากการเศษการ เธอในอนาคตเกิดคนใดคนหนึ่งต้องจากไปจะได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวเวยถ้าเราไม่มีความอยากจะเสกกลามแล้วเราจะไม่เหงาเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรายังติดการเสรกกลามอยู่ติดกับการร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่เวลาแฟนจากเราไปเราจะรู้สึกเหงาขึ้นมาทันทีอย่าศีลก็มีสองระดับด้วยกันระดับศีลห้า แล้วก็ระดับศีลแปดถ้าเรารักษาศีลเบื้องต้นก็ให้รักษาศีงห้าไปก่อนให้ได้รักษาให้ได้ทุกวันถ้าตอนต้นก็อาจจะรักษาแค่วันพระก่อนถ้ายังไม่เคยรักษาเลยก็ลองรักษาอาทิตย์ละวันก่อนวันพระก็คือวันหยุดไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันพระทางทางที่เขากำหนดไว้กำหนดเอาวันที่เราสะดวกวันที่เราไม่ทางานอันนั้นจะเป็นวันที่สะดวกต่อการรักษาศีล เราก็รักษาสินห้าไปก่อนวันหนึ่งแล้วถ้าเห็นว่ารักษาแล้วทำให้ใจเราสบายขึ้นใจเราเย็นขึ้นเราก็เพิ่มเป็นรักษาทุกวันไปเบื้องต้นก็หัดรักษาศินห้าให้ได้ครบทุกวันก่อนพอรักษาสินห้าได้ครบทุกวันขั้นต่อมาก็ลองมาหันรักษาสินแปในวันหยุดกันในวันพระกันวันหยุดทำงานวันไหนเราหยุดหยุดทงานเราเรียกวันนั้นว่าเป็นวันพระของเรา แ้วเราก็มาถือศีลแปดมาหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายหยุดการเสพกาวไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่กินอาหารมากเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็กินแค่มือ้อสองมือ้อตอนเช้านี่ก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้ทุกข์ไม่ให้อดไม่ให้หิวได้แล้ว ที่หิวนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้หิวที่ร่างกายหิวที่ใจพอใจคิดถึงอาหารขึ้นมาก็หิวขึ้นมา ท, ทันทีนเราต้องการจะหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องยอมทนบ้างทนกับความหิวที่อาจจะเกิดขึ้นจากความคิดปุงแต่งของใจแต่เราสามารถดับมันได้ถ้าเราเวลามาภาวนามาเจริญสติมานั่งสมาธิกัน ดัง น, นการถือศีลแปดนี้เป็นการถือเพื่อให้เรามีเวลาว่างมามาภาวนานั่นเองมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันนอกจากศีลข้อหคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วก็ศีลข้อเจก็ไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆ จะงดหมดของพวกนี้ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องรำทาเพลงไม่กินขนมนมเลยกินระหว่างมื้ออะไรต่างๆอันนี้จะปัดไปหมดไม่หาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่หาไม่เสียเวลากับการมาแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมอะไรต่างๆ หาเสื้อผ้าพอส ว, ส, วสวยสวยงามงามมาใส่แต่งกายแบบปกติเรียบง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติต้องการชำระจิตใจให้สะอาดจำเป็นจะต้องถือสีงแปดกันและการหลับนอนก็ไม่ควรหลับนอนมากเกินไปหลับนอนพอพักผ่อนให้กับร่างกายได้ก็พอซึ่งธรรมดาร่างกายถ้าได้พักประมาณห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็จะพอ ก็จะตื่นขึ้นมาัน้นแต่ถ้านอนบนทูกขหนาหนานอนบนเตียงใหญ่ๆนอนบนเตียงสํารัญมีความสุขมากเวลาร่างกายพักพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อเพราะติดความสุขจากการนอนบนทูกหนาหนาพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้ผู้ถือศีลแปดไม่ให้นอนบนทูกขหนาหนา ให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสื่อก็พอแล้วจะทำให้นอนไม่มากเพื่อที่จะได้เอาเวลานอนมาให้การปฏิบัติชำระจิตใจให้ตาด้วยการทำสมาธิกันไั่นเองนั่งสมาธิผ่อนใจให้สงบสงสาวายัางได้ยินหรือเปล่านอนได้ยินอยู่นะนั่งสมาธิ ใจจะสงบนี้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติการเจริญสติตนสตกนต้องเจริญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนตื่นขึ้นมาตอนถึงเวลาหลับไปถ้าเราอยากจะให้มีสติที่จะทําให้เวลานั่งสมาธิติ่งเงงติ่สงบได้เราต้องขยันเจริญสติไปเวลาตั้งแต่ลืตาขึ้นมาตอนลืมตาขึ้นมาก็ให้เจริญสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ที่เราสามารถเลือกได้เช่นเราจะใช้ทำบุญกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้อ ล, ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มพุทโธพุทโธไปลุกขึ้นมาไปทํางทุระอะไรต่างๆก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ําแต่งตัวก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปอย่าปให้ใจติดถึงเรื่องๆๆๆนี้เรื่องนี้ ให้อยู่กับพุ้โธรไปแล้วใจก็จะมีสติที่สามารถจะพัฒนุงความคิดหรือความคิดต่างๆได้แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาครับจะนั่งในผ้าขับสมาธิก็ได้ผ่าพักผืกก็ได้จะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่ความสามารถแต่ถ้าถ้่่านั่งที่ดีที่สุดก็คือท่านั่งขัดสมาธินี่ แต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ลองนั่งท่าอื่นไปเกาะข้อสาคัญเวลานั่งให้มีสติคอยควบคุมตังกับใจอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้ใจไปสนใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ใจอยู่กับอารมณ์ที่ใช้ซึ่งสามารถเลือกได้สองอย่างจะใช้คำมธิกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือจะใช้การดู ล, ลมหายใจเข้าออก ที่ปายจมูกไปก็ได้ดูของดูลมหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่แถวบริเวณฟลายจมูกหรือเหนือนิมฝีปากขึ้นมาเป็นบริเวณที่ลงจะสัมผัสให้เราได้รับรู้ได้ให้รู้อยู่ตรงนั้นก็อพอาตามเข้าตามออกเพราะการตามลมนั้นจะทาให้ใจไม่นิ่ง เราต้องการให้ใจนิเราต้องให้ใจอยู่ที่เดียวอยู่ที่ปลายสมองหรือถ้าเราจะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอยากให้คิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานจิก็จะเข้าสู่ทางสงบได้ถ้ามีจติตอยู่กับการบริกรรมอย่างต่อนเนื่องและอยู่กับการดูลมหอย่าต่อเนื่องระยะจิตเข้าสู่ทางสงบ น, นี้ก็จะมีอยู่ สองลักษณะด้วยกันสมาธินี้มีสองลักษณะภนิกะสมาธิกับอัปนาสมาธิภณิกะสมาธิจิตจะสงบเชั่วขะนติสงดเดียวเดียวเหมือนนกกระจอะกินนะ้ำเข้าไปพบแล้วก็ถอยหลังมาส่วนอัปนาสมาธินี้เป็นสมาธิที่จะทําให้จิตสงบตั้งอยู่ได้นาน มีความสุขกับความสงบได้งานกว่าแต่เบื้ตอต้นสำหรับผู้ที่เริ่มสึกษมาพุ่หน่อจะต้องเจอกับธรรมะม า, า, าธุ่ก่อนเพราะว่าเป็นกำลังของสติที่จะบังคับให้ใจเข้าข้างในนี้มีน้อยมีพอที่จะดันให้เข้าไปสูส่ความสงบแค่คราบเดียวแล้วก็จะหมดกำลังพอหมดกำลัง ใจที่สูุดก็เลยคอยสั่มดังให้ออกมาทางตาหูจมูกนิจจาก็กจะอขอนออกมาทแต่เร่องนี้ไม่ต้องกังวลนะเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติก่อนจะได้อัปะนะสมาธิก่อนติดจะสนบนงบไม่อยู่ได้นานนี้จะต้องได้คานิจจะสมาธิก่อนแต่ผลที่ได้รับจากคนกนานิจจะสมาธิแม้แต่เป็นทางสดชื่อแวบเดียวก็ตาม มันจะเป็นความสุขที่มหาศาลใจอย่างนี้มันจะทำให้เราเกิดความยินดีเกิดความสาบที่อยากจะนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปอยากจะจะเราจสติให้มากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ใช้สตินี้มากากับใจให้เข้าสมาธิให้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นสติท่านีกำลังมากเท่าไหร่ การเข้าสมาธิก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นตามกำลังของสติถ้าสติมีกำลังน้อยการเข้าสมาธิก็จะยากจะนายหรือบางครั้งนี้เข้าไม่ได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของสติไปพยายามเจริญสติตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิกันไม่ว่าจะทาอะไรจะใช้คำบริกรรมพุโทโธพุทโธไปก็ได้ เราจะเข้าดูการกระทําต่างๆ ท, ที่เราพยายามทำอยู่ก็ได้อย่างนี้เราจะสามารถควบคุมความคิดได้ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วพอเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะอยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แล้วไม่ช้าไมเร็วจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาถ้ามีติมากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็จะอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้น ตอนต้นกาจจะอยู่ได้5นาทีต่อไปก็10นาที20นาที30นาทีจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกําลังของสติตามกําลังของการปฏิบัติถ้าทําปฏิบัติบ่อยขึ้นมากขึ้นการเข้าสมาธิก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆได้อยู่ในสมาธิได้นานขึ้นขึ้นไปขอให้เราคิดถึงผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะ ปฏิบัติที่จะสู้กับความเปลียดชังที่จะสู้กับความยั่วยุของอสิเลศปัญหาที่จะคอยดึงให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกอุ้งการ์ก น, นี่ก็คือท่านของสมาธิเป้าหมายของการทำสมาธินี้เพื่อให้ใจมีความสุขเพราะไม่มีความสุขอันใดนี้จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสมาุข ถ้าได้ความสงบทางสมาธิแล้วได้ความสุขจากความสงบแล้วจะไม่อยากไปหาความสุขวามไหนนะจะไม่อยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่อยากจะไปเรื่องหลับนอนกับใครอยากเอาเวลามาทำสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นเป้าหมายที่สองก็คือการทำสมาธินี้จะทำให้เรามีอุบเบกขาใจของเราจะเป็นกลาง ใจของเราจะตอกะกระจากคำรักทางตัวหลงแต่ยังเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราวเืรมถ้ามีสติมีกำลังถ้าใจนิ่งมันก็จะมีอุเบกขาแต่พอสติอ่อนกำลังลงใจเริ่มคิด ต, ตุ้งต่งขึ้นมาอุเบกขาก็จะค่อยๆจางหายไปได้ถ้าอยากจะให้อุเบกขาที่ได้จากการกระทำสมาธินี้ไม่หาย อาการคิดปรุงแต่งก็ให้จิตคิดปรุงแต่งไปทางไปรักใครแ ท, ทนที่จะไปคิดถึงรูปเสียงจิ่นตว่าเป็นสุขแทนที่จะไปคิดถึงรากเลือดสารเสื่อมว่าเป็นสุกขให้คิดจับกันให้คิดว่าเป็นทุกข์ให้คิดว่ารากเลือดสารเสือมความสุขจากรูปเสียงจิ่นรื่อนี้เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันจอดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป มาแล้วก็ไปเวลามันไปเวลามันหมดมันก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นสุขอย่าไปคิดว่ามันเป็นนิจังสุขทางอกาการเพราะถ้าคิดว่ามันเป็นนิจัสุขทั้งอกาการมันก็จะเกิดปัญหาเกิดความอยากอยากจะเสพ ร, รา เ, ราเรรลิกไสยาสน์เลิกโศกเลิกถึงจิตลมมันก็จะทําให้อุเบกขาหายไปหมดทําให้ความสุขที่ได้จากสมาธิหายไปหมด แล้วจะทําให้เราไปเสพเราเสพแล้วก็ติดติดแล้วก็ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกิ์อีกวัฏวัฏจักของมันก็คือมันจะนําเราไปาสู่ความทุกข์ตองต้นก็สุขแต่ต่อไปไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องทุกข์เพราะมันเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมันต้องมีการหมดไปวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้เรามองอย่างนี้มองว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปมองว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิก็จะอยู่ต่อไปไม่หายไปแล้วทุกครั้งที่เราเกิดความอยากล้วก็พิจารณาตายรักจังใจพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต่อไปเราก็จะหยุดความอยากขาดเนะี่ยยังไม่อยากได้อะไรพราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั่นเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขได้มาแล้วก็ต้องทุกข์อยู่คนเดียวอยากมีแฟนที่ว่ามีแฟนแล้วจะสุขพอไปมีเข้าจริงๆเราเป็นยังไงมันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์เข้ามาด้วยแล้วดีไม่ดีความทุกข์นี้อาจจะมากกว่าความสุข เวาทกข์ยากจะมากอความทุกขตอนที่เราอยู่คนเดียวเสียด้วยซ้งไปให้คิดอย่างนี้เวลาอยากได้อะไรให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตามันไม่เป็นนิจจังสุ ข, ขงังอลักตาแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากได้อะไรอยู่ในใจใจของเราก็จะมีอยู่เบกขาตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่ได้ลนล่นไม่หิวโหวย มีแต่ความอิงความพองตลอดเวลานะอันนี้คือวิธีชำระใจที่เป็นข้อปฏิบัติข้อที่สที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกันมีอยู่สข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวง2ให้สร้างบุญ ส, สร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อด้วยการทำทานด้วยการช่วยเหลือผู้ ด้วยการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นบุตรกาลรบิดาน า, าปุย่าตายาคูบ า, าจา์<ม>ให้เราช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกมได้ยากโดดร้อนให้เรารับใช้สังคมอันนี้เป็นการกระทำคําดีชนิดต่างๆทำบุญก็ได้บุญก็อุทิศบุญให้แกผ่ผู้ร่วงรับไปแล้วด้วย อันนี้เป็นวิธีการสร้างบินสร้างกุศลแล้วก็มาทำรัใจด้วยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิให้ได้อุเบกขาให้ได้ความสุขทางใจแล้วก็ไปเจริญปัญญาเพื่อรักษาสมาธิรักษาความสงบความสุขทางใจให้อยู่ไปอย่างถาวรถ้าเราสามารถกระทำตาม ทำอยของพระเจ้าทั้งสารข้อนี้ได้แล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่มีความทุกข์เข้ามาในใจของเราติดต่อไปใจที่ไม่มีทุกข์ก็คือใจของพระอาหารหันต์ใจที่เป็นท่า น, นิพพานจึงนมานิพพานก็คือใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาความโลภท า, า, างโกรธทางหลงทางกลัว ใจอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบสิ่งอย่างเดียวด้วยเถิวิธีการของการใช้เวลาให้เกิดคุณ เ, เกิดประโยชน์ตามที่พระเจ้าทรงสอนสอนเพราะว่าถ้าเราเอาเวลาไปหาสิ่ง อ, งอื่นนั้นเสียเวลาสกปรกพรางลำเหลวตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปแต่ใจที่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไป ถ้าเราเอาเวลามาทำแต่ความทุกข์ด้วยการไม่ทำบาปด้วยการทำบุญด้วยการทำรักเกลิศแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเวลาร่างกายตายไปเราก็จะเอาแต่ความสุขไปเพียงอย่างเดียวใจที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวก็เป็นใจที่จะไม่กลับมาเกิดติดต่อไปเป็นใจที่อยู่ในท่านิพานนี่นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราปฏิบัติกัน พอเราได้สำเร็จงานของเราแล้วทำให้ใจของเราหลุดพ้นแล้วทีนี้เราก็สามารถมาช่วยคนอื่นสอนให้คนอื่นเขารู้จักวิธีทำให้ใจของเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่เราได้ทำมาเหมือนกับที่พระพุทเจ้าและพระอานนท์สาวกได้ทำกันเบื้องต้นท่านทำใจของท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็มาสอนผู้อื่นให้เขารู้จักวิธีหลุดพ้น พอหลุดพ้นได้แล้วเขาก็จะไปช่วยสอนคนอื่นต่ออันนี้แหละจะทําให้พระพุทธศาสนาของพวกเราอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้ตลอดกาลไม่มีวันสิ้สุดถ้าตราบใดมีการปฏิบัติการคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วแล้วน า, าคําสอนความรู้ที่ได้จากการหลุดพ้นนี้ไปสอนผู้อื่อนทอดเงิน ก็จะมีศาสนาพุทธอยู่กับผู้โลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานนี่แหละเป็นการทำคุณทำประโยชน์ให้กับตนเองและกับโลกได้อย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตต่อให้น่่ารวยขนาดไห น, นก็ยังต้องทุกข์อยู่แต่ถ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนจนบรรลุแล้วจะไม่มีทางทุกข์หลงหรือมีใน ใ, นใจต่อไป จะไม่มีงินก็ไม่เดือดร้อนจะไม่มีตําแหน่งไม่มียศก็ไม่เดือดร้อนแต่จะมีบารมีสุขตลอดเวลาเรียกว่าบารมีสุขนะนนี้คือสิ่งที่พวกเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานกันว่าจะทําตามคํสาสั่งคําสอนคิดดูสิพระพุทธเจ้าห่วงใ ย, ยพวกเราขนาดไหนขณาตอนตายยังฝากคําสอนอันวิเศษนี้เตือนพวกเราเลยว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป รงยังประโยชน์ของจิตใจให้ถึงทร้องและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงทร้องต า, ตามมาต่อไปดังนั้นขอให้พวกเรายึดคําสอนนี้เป็นแนวทางแห่งการดําเนินชีวิตของพวกเราและรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะไม่คว้าน้ำไหลชีวิตของเราจะได้ประมังสุขถังติดไปกับเราตลอดอนันตการการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาเรวาหาตุราปริภูเรติจากวังเอวเมวะอิโตทินงังเตตานัองอุป ก, กะรปฏิปิชิ ต, ง ต, งตังปัจจิตังตุมหังทิตพนิวะชนิจตุสับภูเรนตุจังกะปายันโอปนณะราโธยาถานิโจติ อาตุยัตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวะตวันตาบายุสุติทิพาโยโกภวอธิวะชนะศีลิกะนิจังวุชาปจายโนจตารธรรมวะคันติอายุวันุสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้ทางเพจทาง YouTube หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือจะมาถามเองที่นี่ก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าถามตอนที่เราเลิกแล้ว ชอบจะมาถามตอนที่เลิกตอนนั้นจะเป็นเวลาถ่ายรูปใชมากกว่าต <c oughs> อนนั้นคนนี้จะมาขอถ่ายรูปหรือจะมาตอบคําถามมันไม่ค่อยสะดวกมันสับสนกันไม่หมดนะงั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเปิดโอกาสให้เต็มที่เลย <c oughs> แต่เวลาที่เลิกเราต้องขออนุญาตไม่ตอบคําถามอย่าหาว่าใจดําเลยนะแต่มันไม่ไมไมไมถูกกาลเทศะมันไม่ถูกเวลา <c oughs> เวลาที่จะถามตอนนี้ดีที่สุดทุกคนยังนั่งสงบอยู่ได้ยินได้ฟังกันทั่วแต่เวลาที่เลิกแล้วคนขวดขวยคนไปมาทำนูน่นทำนี่กันเนาะมาถามมาตอบนี่มันมันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยังเอาตอนนี้ดีกว่านะถ้าอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในตอนนี้เลยตอนนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ครับนมัส ก, การเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 387 YouTube Plus s o l u t i Live 228 YouTube Dr. V 102วิทยุออนไลน์7 c l ั b h o u s e 8ผู้รับฟังหน้าบุติ130รวมทั้งสิ้น862ท่านเจ้าค่ะค่ะมีคําถามเข้ามาก็ถามได้เลย คำถามจากคุณสวยเจ้าค่ะถือสีนแปดอยู่ที่บ้านสามารถนอนหนุนหมอนได้ไหมเจ้าคะหมอนนี่เขาไม่ได้ห้านนอนหนอนได้แต่ไม่ให้นอนงบนพุกนั่นนะครับถ้านอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากคำถามจากคุณวไลายพรเจ้าค่ะ พระอาริยะบุคคลจะเลือกปฏิบัติในการสั่งสอนลูกศิษย์หรือไม่ถ้าหากว่ามีพระบางรูปที่จะรับแต่ญาติโยมที่เป็นคนมียศมีชื่อเสียงเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้ท่านจะเป็นพระอาริยะบุคคลได้ไหมเจ้าคะคือเลือกได้แต่ท่านไม่ได้เลือกที่ราบยศสารเสริจเป็นหรท่านเลือกที่ความสามารถทุก่างเรียนรู้ว่าจะรับได้มากได้น้อย เชื่อฟังดื้อๆอย่างนี้ท่านจะดูตรงนี้มากกว่ามันจะไม่อยากจะสอนคนดื้อสอนคนดื้อแล้วมันเหนื่อยสอนคนที่เชื่อเชื่อง่ายนี้สอ น, นง่ายกว่าท่านจะดูตรงนั้นเป็นหลักส่วนคนที่มีฐานะไม่มีฐานะก็บางทีก็ดูว่าเขาทำคุณประโยชน์ให้กับวันมากน้อยบางคนเขามีฐานะเขาทำประโยชน์ให้กับวันมาก ก็ต้องมารวมมาก็ต้องรับเขาแล้วแต่แล้วแต่กรณีอันนี้จะไปเมาว่าเอาแต่คนรวยเอาแต่คนมียศอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไม่เอาเลยก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ยศหรืออยู่ความนั่งยศอยู่ที่คนประโยชน์เขาทําให้กับวันถ้าเขาทาคุณประโยชน์ให้กับวันเราจะไม่ตอบแทนคุณประโยชน์เขาบ้างถ้าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเรานะก็ต้องส่งเคราเขาตามตา ม, ตามสถานภาพาของเขา กรับมวลเนี่ยคนรวยคนจนก็รับแต่ขั้นตอนของการรับมันก็มีการพิจารณาไปตามเหตุตามผลว่าควรจะรับหน้าถ้ารับน้อยรับอย่างไรรับระดับ V I P หรือระดับธรรมดาหมันมันเป็นเรื่องของโลกอ่ะโลกเขามันมีระดับแล้วทางทางว้ก็ต้องปรับตามระดับของโลก อ่ตอไปคำถามจากคุณดีบีท n s p o r อร์เจ้าค่ะขอคำแนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับสภาวะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปของอารมณ์รักโรกโกรธหลงเกิดจากอะไรถ้าไม่มีตัวรับรู้รักโรคโกรธหลงก็จะไม่มีเกิดขึ้นมาใช่ไหมเจ้าคะมันรักโลคโกรธมันเกิดจากเกิดจากความหลงอะ ความหลงที่ไปเห็นสิ่งนั้ น, ي, น ด, นส ด, ดนีสิ่งนี้ไม่ดีพอเห็นแล้สิ่งที่ดีมันก็รักขึ้นมาสิ่งที่ไม่ดีมันก็โกรธมันก็ชังขึ้นมาทั้งนี้ฉะนั้นต้องบอกให้มันเห็นว่ามันไม่มีดีไม่มีชั่วของทุกอย่างมันเป็นธาตุถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นเหมือนต้นไมน้นี่มันก็จะไม่ไม่มีรักไม่มีชังเพราะมันเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟของต่างๆที่ประเด็นนี้ก็เป็นธาตุทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือมันไม่ได้บอกเป็นไอโฟนหรือเป็นมันเป็นถ้ามองว่าเป็นธาตุเป็นธาตดินมันก็มันก็เฉยๆไปแต่ถ้าเราไปมองว่ามันเป็น iPhone เป็นนั่นู่นนี่นี่ขึ้นมาก็เกิดความรักขังชั่งขึ้นมาฉะนั้นต้องมีปัญญาถึงจะสามารถมองได้สองระดับระดับสมมุติก็มองได้สมมุติก็คือ iPhone เป็นซัมซุงหรือเป็นอะไรไประดับทางทางธรรมก็มองว่ามันเป็นแค่ธาตุเป็นของไม่เที่ยง เดี๋ยวก็พังไปเดี๋ยวก็หมดไปเป็นของใช้ประโยชน์ได้ชั่วคราวนั้นก็ต้องมองทั้งสองระดับถ้ามองแต่ระดับของกิเลสความหลงมันก็จะรักจะเกิดความชังขึ้นมาคำถามจากคุณวิรัตเจ้าค่ะอา น, นิสงของการอุปถาคูบาจาร์และการเลี้ยงดูบิดามารดามีอา น, นิสงต่างกันอย่างไรครับคืออหนึ่งได้ตอบแทนบุญคุณของท่าน ท่านมีพระคุณกับเรามากเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณถ้าเราทำได้เวลาที่ท่านต้องการความช่วยเหลือท่านเดือดร้อนเราก็จะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณ อ, อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นอนิสงส์ทำให้เรามีความสุขมากทำบุญกับใครก็ไม่ทำถ้ามีความสุขกับทงกับพ่อแม่เราเวลาพ่อแม่เราเป็นอะไรแล้วเราได้ดูแลพ่อแม่ น, นี้ ทำให้เรามีความสุขเมกกื่การเราเวลาไปดูแลคนอื่นอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการทําบุญแล้อีกอย่างถ้าทําบุญกับครูบาอาจารย์อุปัสสากครูบาอาจารย์ก็จะได้ธรรมะจากท่านด้วยอย่างพรานโนนี่ยเรียปัสสากพระเจ้ามา20กว่าปีด้วยกันพอพระพุทธเจ้าจากไปก็ใช้เวลาเพียง3เดือนก็บรรลุธรรมได้เพราะว่าได้ยินได้ฟังธรรมมาทุกวันจําได้หมด ยังแต่ไม่มีเวลาอมาปฏิบัติทั้งเ้งพอเวลาพระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็มีเวลาว่างไปปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะคาสอนของพระพุทธเจ้ายังยังติดค้างอยู่ในใจไม่ได้หายไปกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ได้อุปถาพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้คำสอ น, นต่างๆเวลาพระพุทธเจ้าจากไปก็งงว่าจะทำอะไรดีต่อไป ถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ้าค่ะสีห้าสีลปศีลองรี่สิบถ้าปฏิบัติแล้วศีลไหนจะถึงพระอริยะหรือนิพพานได้ครับจริงๆสีห้าก็ถึงได้เพียงแต่ว่ามันยากกว่าสีแปดเพราะศีมันเป็นตัวสนับสนุนเครื่องสนับสนุนถ้ามีศีลมากโอกาสที่จิตจะไปทะเลทรายไปเที่ยวไปเนี่มันก็มีน้อยถ้ามีสีน้อยโอกาสที่มันจะไปเที่ยวมันก็เยอะ เวลาปฏิบัติมันก็น้อยศินมันเป็นตัวคอยคอยกัดขังจิตใจไม่ให้ดุจเลสไม่ให้มันออกไปเที่ยวไปเล่นเลยให้มันมาปฏิบัติทำกันศินห้าก็ห้ามได้แค่เพียงแต่ไม่ให้ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเสพพิษผิดประเพณีถ้าสินแปดมก็ห้ามไม่ให้เสพกามเลยแม่ร่วมหลับนอนกันเลยแม่ดูหนังฟังเพเลงถ้าศินสี่สิบเจไม่ให้ออกจากวัดเลยให้อยู่แต่ในวัด ไม้ไปตามสถานช้อปปิ้งต่างๆด้วยที่อยากโครจรทั้งหลายไปไม่ได้แต่ผู้ถือผู้ที่ถือศีลแต่ยังอาจจะไปได้ถ้ามีความจริเป็นยัต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของก็ยังไปได้อยู่ดังนโอกาสที่กิเลสจะไปเสพ ร, รูปสิ่งกินลสขณะออกไปก็มีมากขึ้นดันศีลเป็นเหมือนกับเป็นรั้วที่กั้นกิเลสถ้ายิ่งมากมันยิ่งละเอีมันก็จะกัดกิเลสได้เยอะกว่ารู้ที่มีช่องว่างเยอะ ถ้าสีลห้า น, นี่มันช่องรูโวมันเยอะกินเลสมันรอดเยอะรออกไปได้เยอะกว่าศีลแปก็รูโวก็เล็กนองออกไปได้น้อยกว่าศีสองร้อสเจ็มันยิ่งละเอียดทิบออกไปยากขึ้นจะได้จับกิเลสค่าได้ไม่ต้องไปไปยิ่งตามมันตามสุนย์การค้าต่างๆตามบาตามผับคําถามจะผู้รับฟังหน้ากุติเจ้าค่ะ ถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานในชาตินี้หรือในภพภูมิมนุษย์เราสามารถไปนิพพานในภพภูมิเทวดาได้หรือไม่ผมควรทําอย่างไรครับมันยากถ้าเป็นอยู่ในภพภูมิเทวดายกให้พวกที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแนละ้วถ้าเป็นโสดาบันแล้วอยู่ภพไหนภูมิไหนก็ปฏิบัติไปเองได้ไม่ต้องมีอาจารย์สอนนะแต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ยังเป็นกุตุชนอยู่เนี่ย ถ้าอยู่ในทบเทวดาโอกาสจะได้พบกับพระนางกับพระพุทธเจ้านี่ยากกว่าการเป็นมนุษย์เพาราะพระนางไม่ใช่ทุกลูกจะติดต่อกับเทวดาได้ ม, มีเฉพาะบางลูกที่มีความสามารถพิเศษที่จะสอนพวกเทวดาได้<ม>แต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่โอกาสที่จะได้ไปกราบไหว้ไปเรียนจากท่านมันมีเยอะกว่าอย่างนั้นการเป็นเทวดาถ้ายังไม่ได้บรรลุนี้ ก็จะยากเพราะอีกอย่างหนึ่งเวลาเป็นเทวดาก็เหมือนเวลาไปเที่ยว mm hmm. เวลาไปเที่ยวจะไม่มีกรติกกระจายไปปฏิบัติ mm hmm. นั่งสมาธิกันหรอกใช่ไหมไปเที่ยวแล้วยังจะนั่งสมาธิจะกินข้าวเย็นอยู่จะกิจย่ามข้าวเย็นอยู่หรอือเปล่าไม่ใช่ไหมถ้า mm hmm. เราไปเที่ยวต mm ่า hmm. งประเทศเนี้เราก็กินเงินเต็มที่นอนก็นให้เต็มที่ mm hmm. เรื่องอะไรจะมาถือศีลแปนั่งสมาธิอยู่ในโรงแรมใช่ไหมยัง mm hmm. สู้อย่าไปเที่ยวไม่ดีกว่าเลย การไปเกิดเป็นเทวดาก็เหมือนกับการได้ไปเที่ยว mm hmm. เทวดาไปเที่ยวเทวดาจึงไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเท่าไหร่คิดแต่เรื่องการเที่ยวเรื่องการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นเลยยกเว้นพวกที่มีอุปนิสัยที่ชอบปฏิบัติเท่านั้นถึงจะคอยหาดูว่ามีพระอาหารหันต์มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่ไหนหรือเปล่าพวกนี้ก็จะไปศึกษาไปฟังธรรมกับท่าน กราบเรียนถามเจ้าค่ะเราจะมีวิธีดับความไม่สบายใจได้อย่างไรเจ้าคะก็ใช้คําบริกรรมพุทโธนี่ง่ายที่สุดเวลาไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหายเพราะถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจพอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจก็หายไปเพราะความไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจแต่เกิดจากความคิดที่เราไปคิดถึงมันนะคะ พอเราคิดแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็ไม่สบายใจพอเราหยุดคิดเราหยุดอยากมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็หายจากการไม่สบายใจฉันขอให้รู้ว่าความไม่สบายใจทุกชนิดเกิดจากความคิดความอยากของเราถ้าเราหยุดคิดหยุดอยากได้ความไม่สบายใจก็จะหายไปถ้าใช้สติใช้บริกรรมก็หยุดได้ชั่วคราวพอเราไม่คิดถึงมันความไม่สบายใจก็หายไป พอเรากลับไปคิดถึงมันใหม่ความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจมันเป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปอยากกับมันไม่ได้เราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันได้มันจะเป็นจะตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันใจเราก็จะเฉยกับมันได้ ผมนั่งสมาธิกำหนดพุทโธแต่ในคืนนั้นได้แต่การกำหนดสติพุทโธแต่ไม่พบความสงบต่อมาเมื่อตื่นมานั่งสมาธิต่อนั่งได้สักครู่หนึ่งลมหายใจจับไม่ได้เป็นความสงบสักครู่เดียวอันนี้เป็นผลมาจากสติที่ทำค้างไว้ถือว่าเป็นการทำสมาธิที่ก้าวหน้าไหมครับเพื่อ่วนเมื่อเราทำสติแล้ว แล้วมันยังไม่สงบเราไปนอนเพระเราตื่นกลับขึ้นมาสติที่เราทำมันยังมีอยู่มันก็ทำใจให้สงบได้ <c oughs> คำถามจากคุณเชอรี่จุทาทิพย์เจ้าค่ะ อยากถามเรื่องความเรื่อมใสาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่โยมอายุห้าขวบชอบการเข้าวัดทำบุญการให้ทานตั้งแต่ยังเล็กชอบที่จะศึกษาหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วก็อยากบอกกล่าวให้ผู้อื่นได้รู้เหมือนอย่างเราพยายามรักษาศีลไม่ให้ขาดตกบกพร่องหากศีลขาดด้วยความจําเป็นหรือด้วยความไม่ตั้งใจจะรู้สึกเศร้าสลดใจแบบนี้เรียกว่าอะไรคะแต่เวลานั่ง สมาธิกลับจิตใจไม่นิ่งสงบเท่าที่ควรจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีส่วนทำให้จิตฝุงงซ่านด้วยไหมคะหายถามหลายข้อด้วยกันู้จะตอบตรงไหนก่อน <c oughs> เรื่องที่เราชอบทำอะไรนี่มันเป็นวุนเก่าชาติก่อนเราเคยเข้าวัดเรามีความเคารพพระพุทธก็ทําพระสงฆ์เรายินดีฟังเทพคว า, ามธรรมมันก็จะติดมาเป็นนิสัย <c oughs> อันนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามข้อที่สองมันถามอะไร ข้อเราจะข้อดีกว่าเพราะจไม่ได้ข้อที่สองเหมือนกับว่าเวลาที่คือชอบศึกษาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอเวลามานั่งสมาธิเราไม่สงบเจ้าค่ะอพอเขาจะรู้สึกว่ า, เ, าเหมือนกับว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมีส่วนทําให้จิตใจฟุ้งซ่านด้วยไหมาเจ้าค่ะนีเวลาไม่สบายใจมันมักจะฟุ้งซ่าน แต่ถ้าเราปฏิบัติทำได้เข้มค้นเราสามารถรับน้ำความฟุ้งซ่านได้แสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ก้าวหนะ้ามากแล้วก็เวลาที่โยมเขาศสียหาดด้วยความจําเป็นหรือว่าไม่ตั้งใจเจ้าค่ะเขาจะรู้สึกเศร้าสลดใจมากแบบนี้เรียกว่ า, <ร> า, าก็ไม่เข้าใจนะว่าถ้าเราไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจไม่บาปมันเป็นอุบัติเหตุไม่บาปแต่เราไปคิดว่ามันบาปมันก็เลยเทําให้เราเศร้าใจ แต่คจริงถ้ามันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุขับรถไปรถหมาวิ่งข้ามตัดหน้ารถลราเบรกไม่ทันข้า ม, นาา ม, ามชนมันตา ย, ยานี้เราไม่บาปไม่เป็นการกระทำบ้ายถือว่าเป็นอุบัติเหตุคำถามจากคุณทิติชยาลีลาวันิกิจเจ้าค่ะผลจากการปฏิบตัติสิ่งที่หนูเจ็บป่วยมาหลายโรคเลยได้สัมผัสความทุกข์ทรมานปัจจุบันไม่ค่อยยึดติดร่างกายเจ้าค่ะ จับจิตตัวเองอย่างเดียวเมื่อหนูมีลูกเลยสอนเขาตั้งแต่เล็กทั้งใส่บาตรสวดมนต์และถือศีลห้าสิ่งนี้เองหนูจะบอกใครไม่ได้ถ้าหนูและลูกไม่ลุยปฏิบัติก่อนหนูคิดแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะถสรแล้ ว, ลวทำไปทำทานรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปคำถามจากคุณจิรารัตน์เจ้าคะ่ะ ได้ดูคลิปธรรมะของพระอาจารย์เป็นคลิปเก่าเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งเจ้าค่ะมีคุณผู้ชายท่านหนึ่งเล่าว่าฝึกการใช้ปัญญาซึ่งเขาทำได้ดีแต่รู้สึกว่าชีวิตไม่สดชื่นขาดความสุขโยมกราบขอเมตตาพระอาจารย์กรุณาขยายความในส่วนของตรงนี้เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจธรรมะแต่ไม่ทาสมาธิกันมากเจ้าค่ะ มีปัญญาแต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ใช้ไปดับความทุกข์ได้รเรียกว่าสุตตามายปัญญาจริตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังทำปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาธรรมอยู่แนวๆยังไม่มีกําลังพอที่จะดับความทุกข์ได้ต้องเป็นต้องเป็นภาวนามายาปัญญาภาวนามายปัญญาก็คือต้องภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อน พอใจที่สงบปเป็นสมาธิแล้วเอาปัญญาที่ได้จากสุตตะหรือจินตามาใช้ก็จะดับความทุกข์ได้เห็นสิ่งที่เขาขานก็คือการฝึกสมาธิถ้าฝึกสมาธิได้อุเบกขาแล้วก็เอาปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังหรือจากการได้พิจารณานี้มาใช้ดับความทุกข์ได้ทันที ทำบุญอะไรหรือแบบไหนที่จะทำให้เราได้ใช้กรรมได้ดีและเร็วที่สุดครับหลวงพ่อทำมากๆแบบไหนก็ได้ข อ, ขอให้ทำมากๆคำถามจากคุณจุทาพรเจ้าคะ่ะโยมได้ฝึกการปฏิบัติทั้งในและนอกรูปแบบเพื่อลากิเลส แต่ระหว่างปฏิบัติในรูปแบบได้มีสภาวะธรรมต่างๆเช่นจิตสงบนิ่งมองเห็นตัวรู้เป็นต้นกราบขอเรียนถามว่าสภาวะเหล่านี้อธิบายการปฏิบัติธรรมเพื่อลั ก, กิเลสไหมเจ้าคะก็เป็นการดําเนินการเพื่อลั ก, กิเลสซึ่มต้นก็ให้ยาสลบ ก, กับกิเลสก่อนเวลานั่งสมาธิจิตสงบตอนนั้นก็กิเลสไม่ทํางานชั่วคราวแล้วออกจากสมาธิมากิเลสก็ยังสลึมสลืออยู่ ใช้้้ปปััญญาขาขมมนไไดต่อคำถามจากคุณพิรยาเจ้าค่ะลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการให้เงินทุกเดือนแต่เวลาพูดดุต่อว่าพ่อแม่จะได้รับผลบุญหรือบาปอย่างไรเจ้าคะได้ทั้งสองอย่างอนะบุญก็ได้บาปก็ได้พ่อแม่ไม่ควรที่จะไปว่าพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีกตัญญูถ้าจะพูดอะไรก็พูดดีๆ แต่ไม่ควรที่จะสอนควจะสั่งหรือดุด่าว่ากล่าวพ่อแม่เพราะท่านเป็นบุคคลที่เหนือเหนือเราสูงกว่าเราไม่ควรจะทำอย่างวิ่งเป็นการกระทาที่ไม่ถูกไม่ควรคำถามจากคุณอมรินเช้าค่ะผู้ที่เคยปรารถนาพุทธภูมิ เขาจะต้องปฏิบัติธรรมถึงระดับไหนกว่าจะรู้ว่าเขาเคยปรารถนามาก่อนครับถ้าในปัจจุบันขณะนี้เขายังไม่รู้ตัวเขาไม่มีใครรู้ตัวหรอว่าปรารถนาพุทธภูมิหรือไม่ส่วนใหญ่พวกที่พุทธภูมินี้มักจะติดเมตตากันติดความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเริืมทําหน้าที่ของตนเช่หนหลวงปู่มัน่นทตามที่ได้ยินมาหลวงปู่ม่านนี่ท่านก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ ท่านบวชเลยแล้วท่านก็ส่วนใหญ่จะพาลูกศิษย์ลูกหาไปปฏิบัติกันพาให้เขาฝึกสมาธินั่งสมาธิกันตัวท่านก็เลยติดอยู่แค่ระดับสมาธิไปไม่ถึงไหนจนอายุกเกือบ60สิแล้วมนะั้งท่านถึงได้เสด็จไว้กูไปไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยบวชมาเด <c oughs> าๆต้องต้องไปภาวนา <c oughs> ไปเปรกวิเวกแล้ว <c oughs> เพราะเวลาสอนคนอื่นก็ไม่มีเวลาที่จะมาสอนตัวเอง ก็เลยท่านก็เลยคิดว่านี่เป็นเพราะท่านเคยล่างจิตอธิษฐานว่าจะเจริญพุทธภูมิด้วยการเสียสละทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก่อนช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายก่อนให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วตัวเองค่อยไปอันนี้ก็เป็นความเป็นเป็ น, ปนสิ่งที่ผูกพันจิตใจนั้นเลยเป็นห่วงลูกศิษย์ไม่กล้าทิ้งลูกศิษย์เป็นห่วงจะกลัวเขาจะไม่มีใครสั่งใครสอนแต่พอมาใช้ปัญญาพิจารณาดู แลตัวเราไปถึงไหนวะมันก็ติดอยู่แค่ตรงนี้ท่านก็เลยตัดสินใจทิ้งลูกศิษย์หนีไปอยู่ในป่าที่เชียงใหม่คนเดียวอยู่สิบปีด้วยกันทุดงอยู่กับพวกชาวเขาจนในที่สุดท่านก็ได้มารู้เป็นพระอาราันขึ้นมาหลังจากนั้นท่านถึงมาหลังจากอายุเจ็ดสิบเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปนิมนต์ให้ท่านมาช่วยปรดท่านก็มาทีนี้ท่านสอนได้เต็มที่แล้วตอนนี้ภารกิจของท่านได้เสร็จสิ้น เสรสิ้นลงนะไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าอยู่ต่อล้วสอนต่อแบบที่เคยสอนอยู่ก็จะติดอยู่ตรงนั้นไม่มีเวลาศึกษาไม่มีปฏิวัติเพิ่ม น, น, นี่ก็คือลักษณะอันนี้ก็ก็สังเกตดูถ้าเราชอบทําบุญทําทางน้ากของภาวนาก็ถือว่าพวก พ, พุทธภูมิได้น ะ, ะอย่าแต่ทําบุญอย่างเดียวผ้าปาการเทียน ฉลองวะโบสฉลองเจดีฉลองวันเกิดครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยพวกนี้จะถือว่าเป็นพุทธพวกพุทธภูมก็ได้ไม่ชอบสร้างทานบารามีแต่ไม่ยอมสร้างเนกขมะสร้างอุเบกขาบารามีไม่ชอบปีกปเวกไม่ชอบไปภาวนาอยู่คนเดียวสังเกตได้ตรงนี้เป็นคอยสอนลูกศิษย์อยู่เรื่อยว่าเวลาภาวนาแล้วอย่าไปกังวลกับเรื่องทําบุญทาทาน ถ้าอยากจะทำก็เขียนเช็คใบเดียวจบง่ายดีอย่าไปเสียเวลายาวเวลาไปเตรียมข้าวเตรียมของไปซื้อข้าวซื้อของแล้วเอาเวลาไปถวายเดินทางไปนู่นมานี่ดีไม่ดีเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุตา ย, ตายกลางทางนี่นั้นก็อย่าไปกังวลกับเรื่องทานถ้าไปภาวนาแล้วลืมเรื่องทานไปได้มไ ม, ไม่ไม่เสียหายตรงไหนทานเป็นบุญขั้นต่ำ ถ้าเราเข้าถึงบุญขั้นสูงได้แล้วเราไม่ต้องอาศัยบุญขั้นต่ำก็ได้อาศัยแค่การภาวนาเพียงอย่างเดียวก็พอคำถามจะกคุณปังซาเจ้าค่ะจิตพระโสดาบันเมื่อกลับมาเกิดใหม่ความโลภโกรธความหลงยังมีอยู่ในระดับมากหรือน้อยและจะปรับได้เองหลังจากปฏิบัติให้มากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ระดับเท่าที่ท่านมีอยู่ น, นนะพอตายไปก็จิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย สถานภาพจิตตอนนั้นก็เหมือนเดิมพอมาเกิดก็ปฏิบัติต่อ ต, อตามสถานภาพเดิมเหมือนเด็กที่ย้ายโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ต้องย้ายบ้านอยู่จังหวัดนี้แล้วย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นเรียนอยู่มหก็ไปต่อมห้าเรียนต่อมหไม่ต้องมาเริ่มที่มหนึ่งหรือปหนึ่งเพราะมันเป็นความรู้ที่ติดอยู่ไปกับใจคำถามจากคุณสกายแล็บเจ้าค่ะ เราจะกำจัดนิวรณ์ขณะทำสมาธิได้อย่างไรครับก็ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่มีนิวรณ์แล้วนะที่นั่งไม่ได้มันถึงยังมีนิวรณ<ม>์เราก็ต้องกำจัดมันด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่ว่ามันเป็นนิวรณ์ตัวไหน<ม>ถ้าชอบดูหนังฟังเพลงก็ต้องถือศีลแปดหรือไปอยู่ที่ไม่มีหนังไม่มีเพลงเราดูให้เราฟัง ม, มันก็จะกำจัดนิวรณ์ตัวนี้ได้<ม>ถ้าโกรธใครก็ให้แผ่เมตตากับเขา ให้อภัยเขาใครทาให้เราโกรธก็ไม่เป็นไรผมงค้อกันให้อภัยกันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยอย่างนี้นก็จะทําให้นิวรน์หายไปถ้าลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อ่านหนังสือธรรมะบ่อ ย, อยๆเยอะๆอ่านเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ต่อไปความลังเลสงสัยก็จะหายไปถ้ง่วงนอนขี้เกียจก็อจะตข้าวอย่ากินข้าวเย็นกินข้าวมากหนังท้องตึง หลังตาย่อนนั่งแล้วก็อยากจะง่วงอยากจะหลับอันนี้คือนิวรณ์ต่างๆที่เราต้องแก้ถ้าแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็แสดงว่าไม่มีนิวรณนะ์ถ้านั่งแล้วสับสนงงอะไรเงี้ยต้องต้องไปถือศีลแปดอดข้าวกันหรือถ้านั่งแล้วเนคิดถึงละครเรื่องนั้นคิดถึงการแข่งขันพุทธบอลนั้น น, น, นั้นหม น, นี้นั่งไม่ได้แล้วถึงเวลานั่ยลุกไปนั่งดูต่ออย่างเงี้ยก็เรียกว่า เรียกวาตามมาฉันทะความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคำถามจากคุณนะัทพลเจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งถ้าหากเป็นคารวาบรรุธรรมแล้วถ้าไม่บวชจะต้องเสียชีวิตผมกราบขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายในส่วนตรงนี้ด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่ครับออไม่จริงเราเป็นความเชื่อผิดๆนะการบรรุธรรมนี้สิ่งที่ตายไม่ใช่ร่างกาย กิเลสตายแต่ร่างกายไม่ตายแล้วก็เจะว่าบวชไม่บวชก็บวชแล้วนะเป็นพระอาริยะเราจะไปบวชอะไรอีกอนะใช่ไหมเอาผ้าเอาผ้าเหลืองมาหอมนะมันจะทําให้เป็นอะไรต่างกันหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วภราริยะนี่ท่านมีสิ่ครบบริบูรณ์อยู่แล้วท่าไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดแล้วจะไปจะไปต้องไปบวชที่ไหนบวชก็เป็นเพียงแต่เป็นการบวชทางกายเท่านั้นเองเป็นการเอาผ้าเหลืองมาหม่มเอา แล้วก็ไปอยู่กับพวกเดียวกันคือไปอยู่พวกกับพระทั้นเองเพราะอยู่กับพวกที่ไม่บวชนี่มันวุ่นวายไม่ใช่อะไรหรอกคนที่เขาได้พบกับความสงบแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กับพวกที่วุ่นวายใจเขาก็ไปบวชกันทั้งนี้แต่การบวชหรือไม่บวชนี่ไม่เกี่ยวกับการการตายของร่างกายของพระผู้ที่บรรลุธรรมแต่อย่างใดเป็นความเข้าใจผิดเพราะมีเหตุการณ์สองงานในพระไตรปิฎกคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพ่อของพระพุทธเจ้าป่วยจะตายแล้ว พระพุทธเจ้าไปโปรดสอนธรรมะแล้วบรรลุเป็นพระอรหันตเจ็ดวันก่อนตายก็อลไรวะเนี่ยเึ็นไหมพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บวชเจ็ดวันก็เลยตายอีกเรื่องก็มีชายคนหนึ่งชื่อพาหิยพะพอพระพุทธเจ้าขณะบินสบายขอให้พระเจ้าทรงสอนธรรมพระเจ้าบอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกเขาก็ขอร้องให้สอนแบบสั้นๆพระเจ้าก็บอกว่เห็นอะไรก็สักตไว้เห็นได้ยินอะไรสักตะว่าได้ยิน คิดรู้อะไรก็ให้สักแต่บรู้อย่าไปปรุงแต่งเท่า น, นั้นแหละเขาก็บรรลุเขาก็ขออนุ ญ, ญาตไปเตรียมบริขารเพื่อจะม า, มาบวชกับพะุทธเจ้าระหว่างทางก็ถูกกระเทงขวิดตายเขาก็เลยว่าเห็นไหมเนี่ยพอบรรลุแล้วไม่ได้บวชก็ต้องตายไม่ใช่หรอกนะเข้าใจมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้응 คำถามที่สองเจ้าค่ะคนทั่วไปจะไม่สามารถรู้ว่าพระรูปไหนเป็นพระอระหันต์นอกจากหลังหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วกระดูกแปลสภาพเป็นพระธาตุทุกวันนี้คนจะชอบไปหาพระอระหันต์กันอยากให้พระอาจารย์แนะนําทางปัญญาแนวความคิดให้กับคนเหล่านี้ด้วยครับก็ไม่เพ็ินเนี่ยไปหาพระอรหันต์ก็ดีเลยไปหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดมนเสียหายตรงไหนไปได้ แต่อย่าไปแล้วไปเกาะชายผ้าเหลืองนั่นเองไปแล้วต้องไปฟังธรรมไปศึกษาไปปฏิบัติบางคนไปเพื่อจะได้นั่งมองหน้าท่านแล้วก็มีความสุขแต่ไปอย่างนี้อย่าไปแต่ถ้าไปเพื่อไปศึกษาไปฟังธรรมถูกต้องพอจะได้ไปพบคนอาจารย์ที่เก่งที่สุดถ้าเราเลือกอาจารย์ได้เราไม่เลือกคนที่เก่งที่สุดเหรอใช่ไหมถ้าเลือกระหว่างพระอหรหันกับพระปุถุชนเราจะไปเลือกใครเป็นอาจารย์ เราก็ต้องเอาผ้าหลานเป็นอาจารย์เท่านนเปนธรรมดาแต่เราไม่ได้ไปหาผ้าหลานเพื่อให้เราได้นั่งใกล้ๆท่านให้ท่านมองหน้าเราให้ท่านยิ้มกับเราแล้วก็มีความสุขกับบ้านนี้ถ้าไปอย่างนี้อย่าไปพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้เธออยู่ใกล้เราเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่ถ้าเธอไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเธอก็อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยอแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยอแต่ถ้าเธอศึกษาเธอปฏิบัติคําสอน เเเาหมือนอนธด้ยู่ใกลชิรคำถามจากคุณจิรารัตน์เจ้าค่ะผู้ที่เริ่มเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์คือเริ่มตระหนักรู้ว่าความสุขจริงไม่มีมีแต่ทุกข์มากหรือทุกข์ที่บรรเทาลงถือเป็นต้นทางของมรรคใหม่คะกราบขอบพระคุณค่ะได้เป็นสัมมาทิจริวามเห็นความจริงแล้วว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ความสุขไม่เป็นความสุขจร ความสุขที่คุ้มพออยู่ความทุกข์อยู่เหมือนยาขมเครื่อนน้ำตาลนี่มีผิวบางๆเพราะอมใหม่ๆก็หวานเจี๊ยบพอน้ําตาละลายหมดทีก็ตามมีแต่ความขมขื่นองั้นแต่งงานกันใหม่ๆก็หันนิมูลเหมือนน้ําผึ้งตอนน้าผึ้งละลายหายไปหมดแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันทะเลาะกันด่ากันนะหมนแล้วเหละอันนี้คําถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดก็ดีแล้วใกล้ ใกล้จะหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านยงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ